เมื่อคราวที่แล้วนะคะเราก็ฟังมาถึงตอนที่พระเรวตะได้รับคำฝ่ายนิครณไปโตวาทะผลออกมาพระเรวตะชนะต่อวีรสีหะที่เป็นตัวแทนของฝ่ายนิครนสร้างความยินดีต่อพุทธบริษัทอย่างใหญ่หลวงผู้ที่เป็นประธานของการโตวัทะในครั้งนี้จึงนัดทั้งสองฝ่ายมาโตวัทะกันอีกครั้งในวันรุ่งขึ้น พอถึงกำหนดนัดหมายพระเรวตะมาไม่ได้เพราะว่าท่านอาพาธหรือป่วยอย่างกระทันหันเนื่องจากว่าท่านพระเรวตะตรากตรการงานมามากเทวมิตรอุบาสกจึงขออาสามาต่อ ว, วาทะแทนผลออกมาคือเทวมิตรพ่ายแพ้ แ, พแก่ฝ่ายนิครนตั้งแต่คำถามแรก ชัยชนะครั้งนี้ได้สร้างความยินดีให้แก่ฝ่ายนิครนเป็นอย่างยิ่งต่อมาพระเรวตะหายจากอาพาธแล้วก็ได้ตกลงมีการต่อวาทะกันเป็นครั้งสุดท้ายให้รู้กันไปเลยนะคะว่าฝ่ายใดจะแพ้หรือชนะพอถึงกำหนดประชาชนในเมืองราชคฤตตั้งหลังไหลเมาฟังการต่อวัทะในครั้งนี้อย่างหนึ่งแน่นเหตุการณ์ต่อจากนี้ไป จะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านรับฟังได้หนัดนี้ค่ะเมื่อถึงวันนับหมายอารามอันกว้างใหญ่ไพศาลของพวกนิครนเต็มแน่นไปด้วยประชาชนทุกเพศทุกวัย ที่กระหายอยากจะฟังการโต้วาทีประวัติศาสตร์นั้นและหลังไหลไปจองที่นั่งไกลๆกับธรรมาทของคู่ต่อสู้ตั้งแต่เช้าเมื่อถึงเวลาติดถาปะระได้ก้าวขึ้นสู่ธรรมาทด้วยอาการยิ้มแย้มยิ้มใสด้วยเชื่อมั่นในใชัยชนะของตนอย่างเต็มที่พระเรวัตเทระได้กล้าวขึ้นบนธรรมาทด้วยอาการปรกติแต่ทุกคนก็สังเกตเห็นอย่างชัดเจนว่า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 ผูโตวาทีและแนะนํากติกาต่างๆจบลงแล้วข้าพเจ้าได้ทราบข่าวการเจ็บป่วยของท่านด้วยความเห็นใจและสงสารยิ่งเมื่อเห็นท่านอุตสาหแบกสังขารอันร่วงโรยเพราะโรคภัยมาต่อสู้กับข้าพเจ้าในวันนี้ก็ยิ่งเกิดความสงสารมากขึ้นเมื่อได้ทราบว่าท่านจะมาต่อสู้กับข้าพเจ้าในวันนี้ข้าพเจ้าเกือบจะไม่ยอมมาต่อสู้กับท่านเพราะเห็นว่า เมื่อคราวต่อสู้กับท่านวีรสีหะท่านก็ถึงกับล้มเจ็บสิแล้วถ้าหามาต่อสู้กับคนอย่างข้าพเจ้าท่านอาจจะถึงแก่มรณะกรรมก็ได้คำทักทายแบบเยาะเยะ้ยถากถางตามแบบฉบับของติตาภรละทำให้ฝ่ายนิครนหัวเราะครืนขึ้นด้วยความพออกพอใจท่านติตาภรละผู้มีอายุพระเถระกล่าวขึ้นด้วยเสียงเป็นปกติ หลังจากเสียงหัวเราะของฝานิครนเงียบสงบลงแล้วข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านที่ท่านแสดงความเป็นห่วงข้าพเจ้าแต่ท่านไม่ต้องเป็นห่วงข้าพเจ้าหรอกข้าพเจ้าหายเกือบเป็นปกติแล้วและหลังจากโตวาตีกับท่านวันนี้แล้วข้าพเจ้าก็จะหายดีเป็นปกติเพราะข้าพเจ้ามีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือครั้งใดได้โตวาทีกับคนที่อ่อนกว่าในเชิงปัญญาและคารม ข้าพเจ้าจะร้องเจ็บเสมอแต่คราวใดได้โต้ ว, วาทีกับคนที่มีความรู้ปัญญาและวาทะเสมอกันข้าพเจ้าจะรู้สึกสบายเป็นอย่างยิ่งวันนี้เชื่อว่าท่านคงไม่ทำให้ข้าพเจ้าต้องล้มป่วยอีกคำตอบอันคมคายของพระเรวตเัตเถระทำให้ฝ่ายพุทธบริษัทหัวเราะครืนขึ้นมาบ้างประชาชนผู้เป็นกลางต่างยิ้มอย่างพอใจต่อการโต้อตอบ อย่างเชิงปัญญากันของคู่ต่อสู้ทั้งสองติทาปาละยิ้มอย่างพอใจแล้วกล่าวต่อไปว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าเป็นคนค่อนข้างใจร้อนทําอะไรอยากให้เสร็จสิ้นโดยเร็วฉะนั้นการโต้าตวาทีในวันนี้ข้าพเจ้าจะถามปัญหาข้อหนึ่งกับท่านและซักซายไล่เลียงเพิ่มเติมบ้างถามเพียงประเด็นเดียวเท่านั้นถ้าท่านตอบได้เป็นที่พอใจ ก็ขอให้ท่านเป็นผู้ชนะไปถ้าท่านตอบไม่ได้หรือจนต่อเหตุผลของข้าพเจ้าก็ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะท่านจะตกลงหรือไม่ข้อเสนออันห้าวหาญของติฐตาละทาให้ฝ่ายพุทธบริษัทฝ่ายคนเป็นกลางและแม้ฝ่ายนิครณถึงกับตกตะลึงไปทีเดียวเพราะใครๆย่อมทราบดีว่าการถามเพียงประเด็นเดียวเป็นการเสี่ยงอย่างยิ่ง เพราะถ้าชนะก็ดีไปถ้าแพ้ก็แพ้ไปเลยไม่มีใครจะเสนอเช่นนั้นนอกจากจะเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าตนเป็นฝ่ายชนะเท่านั้นท่านติถาปาระพระเรวตะกล่าวขึ้นอย่างอารมณ์เย็นท่านทราบดีว่าคู่ต่อสู้เสนอเช่นนั้นเพื่อเป็นการขมขวัญและเพราะเชื่อมั่นในชะชนะของตนเพื่อเป็นการคมขวัญตอบแทนท่านจึงกล่าวตอไปว่า การถามเพียงประเด็นเดียวอาจจะเป็นการเสี่ยงเกินไปสําหรับท่านเพราะถ้าท่านแพ้ท่านจะไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกเพื่อให้ท่านมีโอกาสแก้ตัวข้าพเจ้าจะอนุญาตให้ท่านถามข้าพเจ้าสามประเด็นติดต่อกันไปเลยถ้าข้าพเจ้าจนต่อเหตุผลของท่านแม้ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งข้าพเจ้าจะยกคะแนนถวายท่านสามคะแนนเลยทีเดียวท่านจะตกลงไหมข้อเสนออย่างกล้าหาญ จนเกือบจะกลายเป็นบ้าบินของพระเถระทําให้ประชาชนและแม้กระทั่งติฐะพาระเองประหลาดใจยอย่างยิ่งแต่เพราะอาศัยความหยิ่งในศักดิ์ศรีของตนเองเขาจึงไม่ยอมรับข้อเสนอของพระเถระยังยืนยันที่จะถามเพียงประเด็นเดียวต่อไปหลังจากถกเถียงกันอยู่ครู่ใหญ่พระเถระก็จําต้องยอมทําตามข้อเสนอของติฐะพาระคือให้ติฐะพาระถามปัญหาก่อน เอาละข้าพเจ้าจะถามปัญหาท่านณบัดนี้จิตปาระกล่าวขึ้นอย่างมั่นอกมั่นใจคนทั้งหลายทั้งหมดต่างนิ่งเงียบคอยฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจมารดากับบิดาใครมีบุญคุณแก่บุตรมากกว่ากันฝ่ายพุทธบริษัท ต, ต่างถอนหายใจด้วยความโล่องอกที่ได้ยินปัญหาง่ายๆเช่นนั้นเพราะเชื่อว่าพระเถระจะตอบได้อย่างแน่นอน แต่ก็มีหลายคนที่หวั่นวิตกเกรงว่าปัญหานั้นจะมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างที่จะหลอกให้คู่ต่อสู้ตกหลุมพรางมิฉะนั้นติทาปาละคงไม่นำปัญหาง่ายๆเช่นนั้นมาถามแน่ๆท่านผู้มีอายุพระเรวตะกล่าวขึ้นก่อนจะตอบปัญหานี้ข้าพระเจ้าอยากถามท่านว่าท่านเองรู้คำตอบของปัญหานี้แล้วหรือยังรู้แล้ว ติถาปาละตอบด้วยเสียงหนักแน่นถ้าอย่างนั้นขอให้ท่านเรียกคนมาสามคนเป็นผู้แทนชาวพุทธคนหนึ่งเป็นคนกลางคนหนึ่งเป็นนิครนคนหนึ่งแล้วให้ท่านกระซิบบอกคำตอบแก่คนทั้งสามนั้นทีละคนโดยแม่้ข้าพเจ้าได้ยินเพื่อให้ทั้งสามคนเป็นพยานข้าพเจ้าจะตอบให้ตรงกับคำตอบของท่านติถปาละจาต้องยอมกระทตาตามข้อเสนอแนะ ของพระเถระเมื่อติดทาภาระเรียกพยานทั้งสามคนไปกระซิบบอกคําตอบของตนแล้วก็ให้พยานทั้งสามไปยืนรวมกันอยู่หน้าที่แห่งหนึ่งเสร็จแล้วพระเรวตะเถระได้กล่าวขึ้นว่าก่อนอื่นข้าพระเจ้าอยากจะขอย้อนถามท่านเสียก่อนว่าบุญคุณเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมีเองตามธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่คนต้องกระทําขึ้นออ ต้องกระทําขึ้นสิติถฐปาละตอบจ้องดูพระเถระด้วยสายตาแสดงความสงสัยลังเลใจถ้าอย่างนั้นข้าพระเจ้าขอตอบปัญหาของท่านว่าใครทําบุญคุณมากกว่าผู้นั้นก็มีบุญคุณมากมารดาหรือบิดาไม่สำคัญคำตอบของพระเถระทาให้ประชาชนเงียบกริบแทบจะไม่หายใจพญานทั้งสามและติถาปาละเอง ถึงกับอ้าปากตาเบิกกว้างจ้องดูพระเทระด้วยความตกตะลึงพลึงเพลิดเพราะปรากฏว่าคำตอบของท่านตรงกับคำตอบที่ติถภ า, าระบอกแก่พยานทั้งสามคนไว้พอดีพระเรวตะเทระตอบเสร็จเท่านั้นติถภ า, าระก็กระโดดลงจากธรรมาต์เดินดุ่มฝ่าฝูงชนออกไปด้วยใบหน้ามึนตึงท่ามกลางความตกตะลึงพลึงเพลิดของประชาชนทั้งปวง ในที่สุดการโต ว, วาทีครั้งสำคัญนั้นก็สิ้นสุดลงโดยชาวพุทธเป็นฝ่ายชนะอย่างเด็ดขาดตั้งแต่นั้นมาฐานะของพระพุทธศาสนาในกลุ่มราชครึก็กระเตื้องดีขึ้นตรงกันข้ามฐานะของพวกนิครนกับเสื่อมโทรมลงอย่างมากมาย จากปราบศัตรูผู้มุ่งร้ายต่อพระธรรมวินัยลงได้อย่างราบคาบยกฐานะของพระศาสนาให้สูงเด่นเหนือแว่นแคว้นแดนมคตและพักผ่อนอิริยาบถอยู่ณนะพระเวรุวนารามจนรู้สึกสบายเป็นปกติแล้วพระเรวตาเถระก็เตรียมการที่จะออกจากกรุงราชฤทิ์เดินทางไปสู่กรุงพารณาณสีดังที่ได้ตั้งใจไว้แต่วันคืนยิ่งผ่านไป ฝนก็ตกหนักทุกวันจนทําให้ทุ่งนาป่าไม้ทุกขนทุกแห่งหนองไปด้วยน้ำํำชาวไรช่ชาวนาได้ลงมือวานข้าวกล้าจนขึ้นงามเขียวขจีทั่วไปวันเข้าพรรษาก็ใกล้เข้ามาทุกขณะยิ่งกว่านั้นยังมีข่าวลือทั่วไปในกะะรุงราชฤกรว่าปกขุทะกัจยานะ เจ้าลทัทธิผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งในแคว้นมคตเมื่อได้ทราบความเก่งกล้าสามารถในธรรมและเชิงวาทะของพระเถระก็เกิดความกระหายที่จะโต้วาทีกับท่านข่าวอีกระแส น, นึ่งก็แจ้งว่าแม้ศาสดามัคิริโคสารสัญชัยเวรัตบุตรอจิตตะเกตกำพลและปุลานาณกะปะต่างก็แสดงความจำนงที่จะประขาลม กับพระเรวตะเถระเช่นเดียวกันเพระาะศาสดาเจ้าลทัทธิทั้งหลายเหล่านี้ตั้งแต่วาระแรกที่พระบรวรสาสดาได้จุดดวงประทีปคือพระธรรมขึ้นในแคว้นมคตแล้วก็อับรัสมีเสื่อมจากลาบสการะที่เคยได้เคยมีเปรียบเสมือนฐานะของหิ่งห้อยในเมื่อพระอาทิตย์อุทัยเกิดขึ้นฉะนั้นและทุกคนต่างผูกใจเจ็บต่อพระพุทธองค์ คอยหาโอกาสที่จะใส่ล้ายโจมตีอยู่เสมอและบัดนี้นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่สุดที่จะช่วยกันกำจัดพุทธธรรมให้หมดสิ้นไปจากแคว้นมคตความไม่สะดวกในการเดินทางอันเนื่องมาจากฝนตกและข่าวอันไม่เป็นมงคลต่อพระพุทธศาสนาเหล่านี้ทําให้พระเทละเกิดความลังเลใจเหล่าพุทธบริษัทผู้ห่วงต่อสวัสดิภาพของพระพุทธศาสนาต่างก็ช่วยกัน มารบแล้ววิ่งวอนอาราธนาให้พระเถระอยู่จำพรรษาที่พระเวรุวนณารามต่อไปหลังจากคิดอยู่เป็นเวลานานพระเถระก็ตัดสินใจรับคำอาราธนาของพุทธบริษัท mm hmm. เพื่อจะอยู่จำพรรษาที่พระเวรุวนณารามต่อไปอีกหนึ่งพรรษาข่าวนี้นำความปลื้มปิติมาสู่ชาวพุทธทุกทวีหนา หลังจากบัตรนั้นคืนไปอีกสิบห้าปีนักกรุงพาราณสีราชธานีแห่งแคว้นกาสีนคร อ, อันเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์แห่งชมพูทวีปนางเมติยาพามณีผู้เป็นสีภรยาของเมติยะเศรษฐีก็ได้ให้กำเนิดแก่บุตรีคนแรกและได้ตั้งชื่อให้ว่ารัตนปาณีเพราะอาศัยเหตุที่กุมารีน้อยมีฝ่ามือเป็นสีแดงจัดเป็นพิเศษกว่าคนอื่นๆ แม้แต่เมติยะเศรษฐีผู้เป็นบิดาจะรู้สึกผิดหวังอยู่บ้างที่ไม่ได้ลูกชายสืบสกุลการอุบัติของลัตนปานีก็นำความปราบปลื้มปิติมาส่มารดาและคาถาบริวารเป็นอย่างมากเมติยะเศรษฐีได้รีบนำเอาเวลาวันเดือนปีเกิดของทิดาไปให้พรามปุโรหิตผู้เชี่ยวชาญในการพยากรณศาสตร์ผูกดวงชะตา และทนายทายทักให้หลังจากคิดคำนวณอย่างละเอียดอยู่ครู่หนึ่งปรโหิตอาจารย์ก็ได้เอ่ยขึ้นว่าเ อ, อดวงชะตาของธิดาท่านมีลักษณะแปลกมากตามเกณฑ์แล้วดวงชะตานี้ท่านดูเหมือนจะไม่ได้เลี้ยงเธอและเธอก็จะไม่ได้เลี้ยงท่านท่านหมายความว่าอย่างไรด้วยท่านอาจารย์เมตียสเศรษฐีพูดขึ้นด้วยท่าทางตกใจ หมายความว่าเธอจะมีอายุสั้นอย่างนั้นหรืออ้อคงไม่ใช่อายุสั้นหรอกปุโรหิตตาจยา์พูดขึ้นอย่างใช้ความคิดแต่ยังคงจับอยู่ที่แผ่นดวงชะตาข้าพเจ้าเกรงว่าเธอจะต้องมีอันพัดพลากจากท่านมากกว่าและจะเป็นการพัดพลากตั้งแต่เยาววัยเสียด้วยคำทํานายของปุโรหิตตาจาันทำให้เมติยะเสษฐีกลับคืนสูปศศ่ปราสาท ด้วจิตใจที่ไม่ค่อยสบายนักเพราะรู้สึกวิตกกังวลต่ออนาคตของธิดาท่านได้พยายามให้การเลี้ยงดูและการรักษาคุ้มครองแก่ธิดาเป็นพิเศษได้สั่งกําชับบรรดาพี่เลี้ยงนางนมให้ดูแลรักษาธิดาเป็นพิเศษมิให้นําออกไปนอกบริเวณปราสาทและมิให้คนแปลกหน้าขออุ้มขอเล่นด้วยเป็นอันขาดรัตนปานี จเจริญว้ขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไปจนกระทั่งมีอายุได้สี่ขวบเศษเธอก็แสดงกิริยาอาการและคําพูดแปลกๆออกมาให้ปรรดาพี่เลี้ยงนางนมได้ยินวันหนึ่งขณะที่กําลังเล่นอยู่บนสนามหญ้าหน้าปราสาทพร้อมด้วยพี่เลี้ยงนางนมรัตนปาณีได้เดินตรงไปยังประตูใหญ่เพื่อจะออกไปข้างนอกเมื่อพี่เลี้ยงตามไปอุ้มกลับคืนและถามว่า จะไปไหนเด็กน้อยก็ได้ตอบว่าจะไปเมืองสาวัตถีคำตอบของเธอนํำความประหลาดใจอย่างใหญ่หลวงมาสู่พี่เลี้ยงเพราะไม่มีใครทราบว่าทำไมเธอจึงรู้จักเมืองสาวัตถีต่อมาเมื่อเธออายุจวนจะครบห้าขวบขณะที่พี่เลี้ยงส่งเสียงเรียกเธอว่ารัตนปาณีรัตนปาณีเธอได้มองดูพี่เลี้ยงด้วยท่าทางแสดงความไม่พอใจ และตอบว่าอย่ามาเรียกฉันว่ารัตนปาณีนะฉันไม่ได้ชื่อรัตนปาณีถ้าอย่างนั้นเธอชื่ออะไรล่ะพี่เลี้ยงถามด้วยความงงงวยฉันชื่อลีลาวดีเธอตอบอย่างหน้าตาเฉยจําไว้นะฉันชื่อลีลาวดีตั้งแต่นี้ต่อไปให้เรียกฉันว่าลีลาวดีอย่าเรียกว่ารัตนปาณีต่อไปอีกในที่สุดบรรดาพี่เลี้ยง ก็ต้องเรียกเธอว่าลีลาวดีเพราะความเกรงใจและเพราะความจาเป็นครั้งใดที่เธอถูกเรียกว่าลีลาวดีดูท่าทางเธอจะมีความพอใจและมีความสุขอย่างที่สุดเธอจะยิ้มตอบพี่เลี้ยงอย่างอ่อนหวานและยินดีปฏิบัติตามคำสั่งทุกอย่างและครั้งใดที่ถูกเรียกว่ารัตนปาณีเธอจะแสดงความไม่พอใจหน้าบึ้ง และไม่ยอมขานตอบเป็นอันขาดเรื่องราวอันประหลาดเกี่ยวกับธิดาน้อยของตนได้ล่วงรู้ไปถึงหูเศรษฐีผู้บิดาและนางพราหมณีผู้เป็นมาดาในวันต่อมาทำให้ทั้งสองเกิดความประหลาดใจสงสัยและจ้องตาจับดูความเคลื่อนไหวของธิดาอย่างใกล้ชิดขึ้นเย็นวันหนึ่งขณะที่รัตนปาณีกำลังนั่งอยู่บนตักแม่ ภายในห้องอัลลโหฐานของประสาทเธอได้กล่าวขึ้นว่าแม่นะครสาวัตถีอยู่ที่ไหนนะครสาวัตถีอยู่ทางทิศเหนือไกลจากที่นี่มากนางพระมณีตอบจ้องดูธิดาน้อยด้วยความมุนงงลูกถามทำไมลึกลีลาวดีอยากจะไปเมืองพระนสีไปทำไมแม่ถามด้วยความประหลาดใจ ย, ยิ่งขึ้นก็ไปเยี่ยมแม่ของลีลาวดีนะสิ เด็กน้อยตอบหน้าตาเฉยคำตอบของเธอทำให้นางพรามณีเกิดความประหลาดใจและความไม่พอใจเป็นอันมากทำไมลูกจึงพูดอย่างนั้นเล่ามารดาถามพยายามระงับเสียงให้เป็นปกติก็แม่ของลูกนั่งอยู่ที่นี่วไม่ใช่หรือแม่เป็นแม่ใหม่ของลีลาวดีแต่แม่เก่าอยู่ที่เมืองสาวัตถีตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา รัตนปาณีก็พยายามลบเลา้ามารดาให้พาไปกรุงสาวัตถีทุกคืนวันฝ่ายมารดาก็ผัดผ่อนไปเรื่อยๆว่าจะพาไปเมื่อนั้นเมื่อนี้จนกระทั่งรัตนปาณีมีอายุได้ครบหกขวบยิ่งเจริญวัยขึ้นความทรงจําแต่หันหลังของเธอก็ยิ่งจํากระจ่างขึ้นเธอรู้สึกคล้ายๆนอนหลับไปครู่หนึ่งเมื่อตื่นขึ้นมาก็ได้พบตัวเอง อยู่ในสิ่งแวดล้อมแปลกๆใหม่ๆในเวลาเดียวกันก็เกิดความปรารถนาที่จะกลับคืนไปสู่บ้านเก่าสิ่งแวดล้อมเก่าๆที่ตนเคยอยู่มาก่อนเธอสามารถเล่าเหตุการณ์เรื่องราวแต่อดีตให้มารดาบิดาฟังได้อย่างคล่องแคล่วจริงจังจนทําให้ทุกคนเชื่อมั่นว่ารัตนปาณีจะต้องละลุดชาติก่อนได้อย่างแน่นอน ในฤดูแล้งปีต่อมาเมติยเสรษฐีก็ตัดสินใจที่จะพาทิดาน้อยไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อพิสูจน์ให้เห็นจริงเห็นจังกันเสรษทีว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เธอเล่ามานั้นเป็นความจริงหรือภาพมายาซึ่งเกิดขึ้นหลอกหลอนเธอด้วยการกระทําของพูดผีปีศาจอีกประการหนึ่งก็เพื่อนำสินค้าผ้าไหมล่องไปจาหน่ายทางกรุงสาวัตถีดูบ้าง พระเมติยเศรษฐีเป็นพ่อค้าผ้าไหมอันมีชื่อแห่งแคว้นกาสีทุกๆฤดูแล้งท่านจะนำผ้าไหมบนทุกเวียนไปขายตามหมู่บ้านและตามนิคมและนครต่างๆเป็นประจำแต่ไม่เคยไปถึงนครสาวถีสักทีเมื่อเตรียมการต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วขบวนเกวียนอันยาวเหยียด ก็เคลื่อนออกจากกรุงพรณนศีมุ่งหน้าสู่ทิศเหนือท่านเศรษฐีและธิดาน้อยอยู่ในเกวียนเล่มหนึ่งซึ่งไม่บรรทุกสินค้าใดๆและรับการตกแต่งเป็นพิเศษเพื่อให้เป็นพาหนะของสองพ่อลูกโดยเฉพาะหลังจากเดินทางรอนแรมมาเป็นเวลาหลายลาตรีขบวนเกวียนของท่านเศรษฐีก็มาถึงกรุงสามวัตถีโดยปลอดภัยเย็นวันหนึ่ง ขณะที่ขบวนเกวียนกําลังคลืบอนการผ่านพระเจตวนารามรัตนปาณีได้ชี้ให้บิดาดูพระอารามพลางพูดออกมาอย่างตื่นเต้นว่านั่นพระเจตวานารามนั่นพระเจตวนาราม <G ül üyor> เมื่อเมติย เ, รยเสรษฐี <G ül üyor> เห็นที่ดาน้อยสามารถบอกชื่อสถานที่ได้โดยไม่มีใครบอกล่วงหน้ามาก่อนเช่นนั้นก็เกิดความประหลาดใจและเชื่อว่า เรื่องราวต่างๆที่ทิดาน้อยเคยเล่าให้ฟังน่าจะเป็นจริงอย่างแน่นอนแต่ไม่ได้โต้ตอบแต่อย่างไดเพียงแต่เออ อ, อ, อไปกับเธอเท่านั้นหลังจากแสดงอาการตื่นเต้นดีใจอยู่ครู่นหนึ่งรัตนปาณีก็กล่าวออกมาอย่างเศร้าๆว่าพระเชตาวานารามเรวตะเคยอยู่ที่นั่นเวลานี้เรวตะอยู่ไหนว่าแล้วเธอก็จ้องดูพระเชตาวานาราม ด้วยน้ำตาคลอหน่วยรัตนปาณีลูกเป็นอะไรไปหรือท่านเศรษฐีถามธิดาน้อยด้วยความตกใจที่เห็นเธอเปลี่ยนจากตื่นเต้นดีใจเป็นร้องไห้ลีลาวดีคิดถึงเรวตะเธอตอบอย่างซื่อๆตามภาษาเด็กเรวตะเป็นใครกันบิดาถามด้วยความงุนงงเขาเป็นคนรักของลีลาวดีเขาเคยอยู่ที่พระเจตวานารามนี้ รัตนปาณีตอบมีน้ำตาไหลเป็นทางอาบแก้มเธอนั่งนิ่งเงียบอยู่นานมากบิดามองดูกิริยาอาการอันแปลกประหลาดของทิดาน้อยด้วยความเศร้าใจอย่างลึกซึ้งครู่ใหญ่ผ่านไปรัตนภาณีจึงพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงและท่าทางตื่นเต้นว่าลีลาวดีนึกออกแล้วนึกออกแล้วเรวตะอยู่ที่กรุงราชคลือ นครหลวงของมครั์เธอหันไปทางบิดาแล้วถามอย่างรวดเร็วว่าพ่อกรุงราชคฤื้อยู่ที่ไหนไกลมากไหมอยู่ในแคว้นมครสท่านเศรษฐีตอบคล้ายกับอยู่ในอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นไกลจากที่นี่มากทีเดียวลูกเอ๋ยไกลมากบางทีในชาตินี้พ่อคงไม่มีโอกาสได้ไปเห็นกรุงราชคฤื้หลังจากนั้น รัตนาปาณีก็กลับเงียบสงบลงอย่างประหลาดไม่พูดอะไรอีกเพียงแต่สะอื้นเบาๆเป็นครั้งคราวในที่สุดขบวนเกวียนอันยาวเหยียดก็ผ่านพ้นพระเชตาวนารามมาถึงประตูกรุงสาวัตถีโดยคำสั่งของท่านเศรษฐีขบวนเกวียนทั้งหมดได้หยุดตั้งค่ายพักลงที่ทุ่งนาใกลๆ ก, ลกลับประตูพระนครสาวัตถีนั่นเองเพราะเห็นเป็นธรรมเลสที่เหมาะสม สะดวกในการหาหญ้าและน้ำให้แก่โคพวกพ่อค้าจึงได้จอดเกวียนโดยหันหน้าเข้าหากันทำให้เป็นวงกลมอันกว้างใหญ่ให้ฝูงโคอยู่ภายในแล้วก็เริ่มต้นลงมือหุงต้มอาหารรับประทานกันเพราะขณะนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้ว หลังจากการรับประทานอาหารเย็นเสร็จสิ้นลงแล้วรัตนาปาณีก็รบเล้าให้บิดาพาเธอไปที่บ้านของเธอภายในกรุงสาวัตถีท่านเศรษฐีได้จัดพนักให้ผัดเปลี่ยนกันอยู่เวรยามและก็ให้คำแนะนำอันจำเป็นแล้วก็พารัตนาปาณีและผู้ติดตามอีกสองสาคนเดินทางมุ่งหน้าสู่ประตูใหญ่แต่นับว่าเป็นคราวเคาะ้ายของท่านเศรษฐี และที่ด่าน้อยอย่างยิ่งเพราะปรากฏว่าหมายทวารบาลได้ปิดประตูพระนครเสียแล้วก่อนที่ท่านเศรษฐีและคณะจะมาถึงเล็กน้อยเมื่อได้ทราบว่าประตูนครได้ปิดเสียแล้วรัตนปาณีถึงกับร้องไห้โหออกมาด้วยความเสียใจเพราะเธอกระหายที่จะไปให้ถึงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้และจะไม่ยอมกลับไปยังกองเกวียน จนกว่าจะได้เข้าสู่ประตูเมืองไปบ้านเดิมของตนขณะที่ท่านเศรษฐีกาลังยืนปลอบโยนธิดาน้อยอยู่ใกล้ๆกับประตูนั่นเองนายทวารบาลก็ได้ยินเสียงจึงลุกขึ้นเดินไปดูทางช่องเล็กๆที่เขาเจาะไว้ที่บานประตูใหญ่เพื่อใช้เป็นที่มองดูเหตุการณ์ข้างนอกพอมองเห็นศรีรษะของนายทวารบาลโผล่ขึ้นมาที่ช่องสังเกตการท่านเศรษฐีก็ดีใจ ท่านเดินไปยืนอยู่ข้างหน้าประตูแล้วก็พูดว่าข้าแต่ในทวารบาลข้าพระเจ้าเป็นพ่อค้าเกวียนเดินทางมาจากกรุงพาราณสีเวลานี้ได้ตั้งกองเกวียนพักไว้ที่ทุ่งนาใกล้ๆกับประตูเมืองนี้พรุ่งนี้จึงจะนำสินค้าเข้าไปขายในเมืองข้าพระเจ้ามีญาติสนิทยอยู่ภายในพระนครและมีทุระจาเป็นที่จะต้องพบเขาให้ไดในค่าคืนวันนี้ ท่านเจ้า ก, กุลนาเปิดประตูเล็กอนุญาตให้ข้าพเจ้ากับคณะเข้าไปพบกับญาติดังกล่าวได้หรือไม่อ้อไม่ได้ล็อกในทวารบาลตอบด้วยเสียงห้วนๆมันผิดกฎนครบาล น, นะท่าน ยินคําตอบปฏิเสธของนายทวานบานรัตนปานีก็ร้องไห้ขึ้นด้วยเสียงอันดังเพราะความผิดหวังท่านเศรษฐีหันไปปลอบโยนลูกอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หันไปพูดกับนายทวานบานต่อไปข้าพเจ้ามีเด็กน้อยมาด้วยคนหนึ่งเธอเป็นลูกของญาติของข้าพเจ้าที่อยู่ในพระนครเธอจากมารดาไปอยู่กับข้าพเจ้าที่กรุงพราณศรีเป็นเวลานา น, านแล้วเธออยากจะพบมารดาเต็มทีแล้ว ถ้าท่านไม่กรุณาข้าพเจ้าก็ขอได้โปรดเห็นใจสงสารเด็กด้วยเถิดข้าพเจ้าเห็นใจท่านในทวารบาลกล่าวด้วยเสียงแสดงความเอื้อเฟื้อขึ้นมาบ้างแต่ท่านก็ควรจะเห็นใจข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้านายเท่านั้นไม่มีอํานาจที่จะเปิดปิดประตูพระนครตามอําเภอใจได้ถ้าข้าพเจ้าขืนเปิดปิดผิดเวลา และถ้าเจ้านายรู้เข้าข้าพเจ้าก็จะถูกลงอาญาอย่างหนักข้าพเจ้าอาจจะถูกจองจําในพันธนาการก็ได้ขอให้ท่านคิดดูก็แล้วกันว่าถ้าเหตุร้ายเช่นนั้นเกิดขึ้นบุตรภรรยาของข้าพเจ้าจะไม่อดตายหรือท่านพูดถูกเมติยาเศรษฐีพูดด้วยความเห็นใจข้าพเจ้าให้ขอถามท่านเป็นครั้งสุดท้ายว่าเวลานี้เจ้านายของท่าน อยู่ที่นี่ด้วยหรือไม่ไม่อยู่หรอกแต่เขากลับมาตรวจตาเป็นครั้งคราวนายทวารบาลตอบท่านเศรษฐียืนคิดอะไรครู่หนึ่งแล้วก็เดินไปพูดกระซิบกระซาบกับนายทวารบาลทางช่องเล็กๆนั้นครู่ใหญ่ผ่านไปประตูเล็กก็เปิดออกแล้วท่านเศรษฐีและคณะพักพวกก็เดินก้มหัวเข้าประตูไปอย่างรวดเร็วพอคนสุดท้ายเข้าพ้นประตู นายทวานบานก็ปิดประตูอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันท่านเศรษฐียัดเยียดเงินสิบกหาปณ ะ, ะใส่ในมือของนายทวานบานตามที่ตกลงกันไว้แล้วก็รีบพาพรรคพวกเดินตรงไปขึ้นรถม้ารับจ้างคันหนึ่งผู้ที่รู้สึกตื่นเต้นดีใจเป็นพิเศษก็คือรัตนาปาณีเธอได้แสดงความสามารถบอกให้ในายสารถีนารถไปตามถนนต่างๆ ได้อย่างถูกต้องจนกระทั่งมาถึงปราสาทหลังใหญ่หลังหนึ่งพอลงจากรถม้ารัตนปาณีก็ตรงเข้าไปสั่นกระดิง่งที่ประตูใหญ่อย่างร้อนรนทันทีเมตียเศรษฐีผู้เป็นบิดาและผู้ติดตามต่างมองดูเธอด้วยความงุนงงต่อมาไม่นานนักประตูใหญ่ก็ถูกเปิดออกผู้ที่ยืนอยู่ข้างๆประตูก็คือ หญิงอายุกลางคนคนหนึ่งรัตนปาณีจ้องดูนางอย่างจริงจังครู่หนึ่งแล้วก็ร้องออกมาด้วยเสียงอันดังว่านันทานันทาเธอจำฉันได้หรือไม่ว่าแล้วก็วิ่งเข้าไปกอดขาหยญยิงผู้ที่ชื่อว่านันทาอย่างเหนียวแน่นหญิงคนนั้นตกตะลึงต่อเหตุการณ์ ถึงกับยืนงงอ้าปากค้างอยู่เป็นเวลานานมองดูเมติยเศรษฐีแล้วก็ก้มลงมองเด็กหญิงประหลาดที่รู้จักชื่อของตนนั้นสลับกันแต่ก่อนที่นางจะได้ไต่ถามเรื่องราวรัตนาปาณีก็วิ่งพระออกวิ่งตามทางเดินที่ปูริหินตรงไปอย่างที่ปราสาททันทีเมติยเศรษฐีและคณะต่างพากันออกเดินติดตามไปอย่างเรบเร่ง ภายในห้องอันโอถงกว้างใหญ่อันสว่างสวายไปด้วยประทีบโคมไฟหญิงชลาคนหนึ่งกำลังนั่งทำธุระส่วนตัวอยู่อย่างสงบรัตนปานีหยุดยืนจ้องดูนางด้วยความลังเลครู่หนึ่งแล้วก็วิ่งตรงไปยังนางปากก็ร้องระล่ำละลักว่าคุณแม่คุณแม่แมเธอตรงเข้าไปฟุบตัวลงแทบเท้าญิงชลาคนนั้นกอดขานางไว้อย่างมั่นคง แล้วก็ร้องไห้ข้ามควรวนสลับกันลำพันว่าคุณแม่คุณแม่ไม่ขาดปากฝ่ายหญิงชะลาเมื่อเริ่มหายจากความงงงวยก็หันมามองดูเมติยเศรษฐีและคณะซึ่งกำลังยืนงงอยู่ที่ประตูห้องโถงแล้วก็พูดขึ้นด้วยเสียงตะกุกตะกักว่าเอ๊ะนี่มันอะไรนี่มันอะไรกันใครกันท่านทั้งหลายเป็นใครบอกฉันด้วย เกิดอะไรขึ้นลึะคุณแม่จำลูกไม่ได้หรือรัตนปานีชิงพูดขึ้นเงนหน้าอันหนองด้วยน้ำตาขึ้นมองดูหญิงชลาลีลาวดีอย่างไรเล่าลีลาวดีกลับมาเยี่ยมแม่แล้วและจะอยู่กับแม่ตลอดไปคำพูดอันประหลาดของเด็กหญิงแปลกหน้าทำให้หญิงเทลาสะดุ้งสุดตัวนั่งผุดลุกขึ้นยืนถอยหลังออกไปสองสก้าวจ้องดูเด็กหญิงประลาด ด้วยดวงตาเบิกกว้างแล้วก็พูดขึ้นด้วยเสียงเกือบจะตะโกนว่าลีลาวดีลีลาวดีหรือเป็นไปได้หรือนี่ลีลาวดีลูกสาวของฉันไม่ใช่เด็กตัวเล็กอย่างนี้ลีลาวดีเป็นนางพิสุณีและตายไปเกือบสิบปีแล้วนี่ท่านใดนั้นรัตนาปาณีก็ทรุดตัวลงนั่งกับพื้นเอามือปิดหน้าร้องไห้ค่ามควรญว่าแม่จาลูกไม่ได้แม่ลืมลูกเสียแล้วหรือ ว่าพลางก็ร้องไห้คล่ำครวญอย่างน่าสงสารหญิงชลาได้เดินไปยังเด็กน้อยผู้อ้างตัวว่าเป็นลีลาวดีนั่งลงเอามือรูปหลังอย่างกรุณาเพ่งดูหน้าตาของเธออย่างพินิษฐ์พิเคราะห์แล้วก็หันมาถามเมตียเศรษฐีและคณะซึ่งยังคงเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่อย่างสงบว่าท่านเป็นใครมาจากไหนเหตุการณ์ทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไร ช่วยให้ความกระจ่างแก่ฉันด้วยสิฉันงงไปหมดแล้วเมตียเศรษฐีและคณะได้นั่งคุกเข่าลงแล้วท่านเศรษฐีก็พูดขึ้นว่าข้าพเจ้าชื่อเมติยาเป็นหัวหน้าพ่อค้ามาจากเมืองพาราณสีเวลานี้ก็ได้ตั้งกองเวียนไว้ที่นอกประตูเมืองเด็กหญิงคนนี้คือรัตนปานีเป็นทิดาของข้าพเจ้าเองมีอะไรหลายอย่างที่แปลกประหลาดเกี่ยวกับเธอ จำเดิมแต่เธออายุได้สามสี่ขวบเธอไม่ยอมให้ใครในบ้านเรียกชื่อเธอว่ารัตนาปาณีที่ข้าพเจ้าตั้งให้กลับให้เขาเรียกตัวเองว่าลีลาวดีแล้วก็เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าในชาติก่อนเธอเกิดเป็นลูกของสุมังคระเครือหบอดีแห่งกรุงสาวัตถีแต่บิดาของเธอได้ถึงแก่มรณะกรรมไปนานแล้วยังเหลืออยู่แต่มารดาเธอได้เฝ้ารบร้าวิงวอน ให้ข้าพเจ้าพามาเยี่ยมแม่ที่กรุงสาวัตถีท่าไม่เว้นแต่ละวันข้าพเจ้าก็ยังไม่มีเวลาจึงได้ผัดผ่อน เ, อเร่มาจนกระทั่งปีนี้เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้พิสูจน์ให้เห็นจริงเห็นจังเสียทีจึงได้พาเธอมาบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อแล้วโดยปราศจากข้อสงสัยว่าเธอคือลีลาวดีในอดีตแน่แน พอขอบวนเกวียนของเราผ่านที่พระเจตวานารามเธอก็ชี้ให้กัาพระเจ้าดูและออกชื่อได้อย่างถูกต้องซ้ํายังบอกอีกว่าเรวตะคนรักของเธอเคยอยู่ที่พระเจตวานารามและบัดนี้อยู่ที่กลุ่มราชครืเย็นวันนี้เองพอเราเข้าประตูนครมาได้และขึ้นสู่รถมา้าเธอเองเป็นคนบอกให้ในายสารถีเลีวรถไปตามถนนต่างๆ จนมาถึงเขาด้หาดแห่งนี้ได้สำเร็จข้าแต่แม่เจ้าหญิงอายุกลางคนพูไปเปิดประตูพูดด้วยเสียงสันส่นๆพอข้าเจ้าเปิดประตูรับเธอก็ตรงมากอดขาข้าพเจ้าและเรียกชื่อข้าพเจ้าได้อย่างถูกต้องทันทีจนข้าพเจ้างงไปหมดพอเมติยาเศรษฐีและนางนันถาเล่าจบก็ถึงวาระที่หญิงชราผู้เป็นมารดาจะต้องร้องไห้บ้าง นางได้สวมกอดเด็กหญิงประลาดคนนั้นไว้แนบอกแล้วก็ร้องไห้ฟูมฟายปากก็พร่ำบ่นว่าลีลาวดีลีลาวดีลูกของแม่มันเป็นภาพที่สะเทือนอารมณ์จนเศรษฐีและคณะผู้ติดตามและนังทาสีชื่อนันทาต้องพลอยน้ำตาคลอหน่วยไปด้วย ลูกเอ้ยจริงฉลาคลำครวญด้วยเสียงแหบเกลือแม่ดีใจเหลือเกินดีใจที่สุดที่ได้พบกับลูกของแม่อีกแม้ว่าเจ้าจะมีรูปร่างสังขารและอายุผิดไปจากเดิมอย่างมากมายแม่ก็รู้ดีว่าดวงวิญญาณของเจ้าลีลาวดีลูกแม่คนเดิมนั่นเองตั้งแต่เจ้าบวชเป็นพิษุนีและเดินทางไปสู่กรุงราชคฤตั้งแต่ครั้งนั้น แม่ก็ตั้งตาคอยการกลับของลูกด้วยความเป็นห่วงกังวลต่อมาภายหลังได้ข่าวมาว่าลูกได้ถึงแก่วรณะกรรมเสียแล้วที่กลุ่มราชคฤื่แม่ก็หมดความสุขสำราญใดๆในชีวิตใช้ชีวิตให้ผ่านพ้นไปวันหนึ่งวันหนึ่งกับนันทาทาสีผู้ซื่อสัตย์ของแม่เท่านั้นเองเคราะดีที่พ่อของเจ้าได้ทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ให้มากมายจึงไม่ต้องลำบากในการครองชีพแต่อย่างใด ความสุขอย่างเดียวที่แม่ได้รับก็คือการสละทรัพย์บำเพ็ญบุญและอุทิศส่วนกุศลให้พ่อของเจ้าให้ชยเศษและเจ้าเองบัดนี้แม่เชื่อสนิทล้ ว, ว่าคนเราตายแล้วต้องเกิดแน่ความตายย่อมไม่มีความหมายสำหรับความรักความผูกพันอันแนบแน่นระหว่างเราได้วันนี้แม่มีความสุขที่สุดที่ได้พบลูกของแม่อีก และจะมีความสุขมากขึ้นถ้าพ่อของเจ้าและ God, ชายเสนพี่ชายเจ้ากลับมาแบบเดียวกับเจ้าอีกเมื่อความโศกและความตื่นเต้นดีใจทั้งปวงค่อยบรรเทาลงแล้ว ตนาปาณีซึ่งบัตรนี้ควรได้ชื่อว่าลีลาวดีอย่างเดิมก็ออกสํารวจดูบ้านเดิมของตนทันทีเธอเข้าห้องนั้นออกห้องนี้ถามถึงสิ่งของเครื่องใช้เก่าๆที่เธอเคยใช้ให้หุ่นไปหมดบางทีนันทาก็สามารถหามาให้เธอได้แต่บางสิ่งก็หายไปเสียแล้วการที่เธอสามารถจําสิ่งของต่างๆได้อย่างถูกต้องนี้ ก็เป็นหลักฐานสำคัญประการสุดท้ายที่ทำให้ทุกคนเชื่อสนิทว่ารัตนาปาณีคือลีลาวดีอย่างแน่นอนในคืนวันนั้นเองบรรดาคณะญาติคนสำคัญสำคัญได้ถูกตามตัวมาอย่างรีบด่วนเพื่อให้มาดูชีวิตและร่างกายใหม่ของลีลาวดีพอเห็นหน้าเท่านั้นลีลาวดีก็สามารถเปรียกชื่อญาติได้ทุกคนและถามข่าวคราวต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว ยังความประหลาดใจและความปราบปลื้มปิติให้เกิดแก่ทุกๆคนบรรยากาศแห่งเครือข่ายของนางเครือข่ายปัตานีในคืนวันนั้นดูวุ่นวายสับสนและคลึกคักคล้ายกับกําลังมีงานมห่อรศเมตียะเศรษฐีได้อําลาจเจ้าของบ้านกลับคืนสู่ค่ายพักในตอนมัชจิมยามปล่อยให้ธิดาของตนอยู่กับมาดาเก่าตามความประสงค์ของเธอ เมติยเศรษฐีและคณะกลับมาถึงประตูพระนครในเวลาเด็กในทวารบาลได้เปิดประตูเล็กให้ออกตามที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อกลับมาถึงค่ายพักท่านเศรษฐีก็ได้พบว่าลูกน้องของท่านบางคนได้นอนหลับไปแล้วแต่บางคนยังคงนั่งจับกลุ่มคุยกันอยู่ไม่เห็นท่านเศรษฐีกลับมาผู้ที่ยังไม่หลับต่างก็เข้ามาลุมล้อมถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความสนใจ ท่านเศรษฐีก็ได้เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบทำให้บางคนที่ยังเคลือบแกลงสงสัยอยู่บ้างเชื่ออย่างสนิทใจว่ารัตนาปาณีก็คือลีลาวดีในชาติก่อนนั่นเองเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อประตูพระนครเปิดเมติยาเศรษฐีก็นำขบวนเกวียนเข้าไปในเมืองเพื่อดำสินค้าผ้าไหมไปขายในตลาดวันนั้น วันนั้นนับว่าเป็นวันโชคดีอย่างยิ่งสำหรับท่านเศรษฐีเพราะปรากฏว่าสินค้าของท่านขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเพราะผ้าไหมที่ทำมาจากแคว้นกาสีเป็นที่รู้จักกันดีในชมพูทวีปว่าผ้าโกไยเป็นผ้ามีคุณภาพและสวยงามเป็นเยี่ยมเป็นที่ต้องการปรารถนาของคนทั่วไปตามปกติผ้าโกไซมีขายเป็นจานวนน้อยในกรุงสาวัตถี และมีราคาแพงมากเศรษฐีก็เลือหาพอดีผู้ร่ำรวยเท่านั้นจึงจะมีโอกาสได้ใช้เมื่อมีพ่อค้าจากเมืองพาราณสีนำผ้ากโกสัยมาขายด้วยตนเองและขายด้วยราคาถูกประชาชนจึงได้รุมซื้อกันเป็นการใหญ่พ่อค้าบางคนก็เหมาซื้อไว้เป็นจำนวนมากๆเพื่อนำไปกักไว้ในร้านเพื่อขายอากําไรอีกต่อหนึ่งภายในบ่ายวันนั้นเอง ท่านเศรษฐีก็สามารถขายสินค้าได้หมดและได้เงินเป็นจานวนมากเมื่อได้เงินแล้วก็เที่ยวซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆบรรทุกใส่เกวียนเพื่อจะนำกลับไปขายอย่างบ้านเมืองของตนต่อไปอยืนวันนั้นเมตียาเศรษฐีพร้อมด้วยลูกน้องคนสนิทสองสามคนก็ไปอย่างบ้านของนางเครือหัปัตตานีมารดาในอดีตของลีลาวดีพร้อมด้วยเครื่องประดับอันมีค่า สำหรับธิดาน้อยของตนแต่ท่านก็รู้สึกผิดหวังเมื่อได้ทราบว่าลีลาวดีและญาติพี่น้องเก่าจํานวนหนึ่งได้ออกเดินทางไปเมืองสาเกตเสียแล้วเพื่อเยี่ยมพี่สาวที่ชื่อกัณฑิกานางเครือหาปตณีบอกว่าลีลาวดีน้อยได้รบเล้าให้คนพาไปเยี่ยมกัณฑิกาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ในตอนเช้านางจึงได้จัดการให้ญาติบางคนพาไป แล้วเมื่อไหร่จะกลับลึกเมตยาเศรษฐีถามด้วยใบหน้าอันหม่นหมองเพราะรู้สึกอะไรคิดถึงที่ดาน้อยของตนเป็นกําลังเห็นก็บอกว่าทั้งไปทั้งกลับก็คงจะต้องใช้เวลาประมาณเจวันเพราะเมืองสาเกตห่างไปทางทิศใต้ประมาณ6โยน์ถ้าเดินด้วยรถม้าก็คงใช้เวลาประมาณสองวันท่านจะต้องพบลีลาวดีก่อนมิใช่หรือแน่นอนทีเดียวท่านเศรษฐียืนยัน ข้าพเจ้าจะต้องคอยพบรัตนภาณีก่อนในระหว่างที่คอยนี้ก็ขอเชิญท่านมาพักผ่อนภายในเครือข่าของข้าพเจ้าก่อนก็ได้เพราะเครือข่าของเราก็กว้างขวางดีและมีคนอยู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นขอให้ท่านถือเสียว่าเราเป็นญาติสนิทต่อกันเพราะไหนๆเราก็เป็นมารดาบิดาของลูกคนเดียวกันแล้วขออย่าได้เกรงใจเลยขอบคุณท่านมาก เมตียาเศรษฐีตอบแต่ข้าพเจ้าเห็นจะรับความเอื้อเฟื้อของท่านไม่ได้เพราะข้าพเจ้าจะต้องคอยควบคุมดูแลกองเกวียนจํานวนร้อยที่ตั้งค่ายอยู่นอกกําแพงเมืองคงจะมาเยี่ยมท่านเป็นครั้งคราวเท่านั้นถ้าอย่างนั้นก็เชิญท่านตามอัธยาศัยนังเครือหปัตานีตอบข้าพเจ้าเห็นใจท่านเพราะสามีของข้าพเจ้าก็เคยเป็นพ่อค้าเกวียนมาก่อนเคยคุมเกวียนสี่ร้อย ไปค้าขายตามเมืองต่างๆเช่นเดียวกับท่านเมื่อไปถึงเมืองใดเมืองหนึ่งเข้าก็ตั้งค่ายพักนอกเมืองเหมือนกันเพราะสะดวกในการหาน้ําและยาให้กับโคถ้าท่านมีเวลาว่างเมื่อใดก็ขอเชิญท่านมาแวะสนทนากับข้าพเจ้าด้วยในที่สุดเมธีเศษทีก็จำต้องขอธิดาน้อยต่อไปอีกเป็นเวลาเจ็ดวันในระหว่างเวลานี้ท่านได้ใช้เวลาให้ผ่านพ้นไป ด้วยการไปติดต่อกับพ่อค้าคนสําคัญบางคนแห่งกรุงสาวัตถีในเรื่องของการค้าบ้างหาซื้อสินค้าบรรทุกเวียนเพิ่มเติมบ้างท่องเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่สําคัญสำคัญภายในกรุงสาวัตถีบ้างไปสนทนากับนางเครือหปตานีมารดากเก่าของลีลาวดีบ้างจากการสนทนากับนางในเวลาต่อมาท่านเศรษฐีก็ได้รู้รายละเอียด ถึงชีวิตในอดีตของลีลาวดีได้รู้จักความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างลีลาวดีกับเลวตะตั้งแต่ต้นได้ทราบถึงความรักอันไม่เปลี่ยนแปลงของลีลาวดีจนตัดสินใจออกบวชเป็นพิสุนีติดตามพระเลวตะไปจนพบที่กลุ่มราชครื้และได้ทราบว่าลีลาวดีได้ล้มเจ็บลงเพราะความเสียใจและถึงแก่วรณกรรม ไปอย่างน่าสงสารอย่างไรแล้วเวลานี้พระเรวตะยังมีชีวิตอยู่หรือท่านเศรษฐีถามข้าพเจ้าก็ไม่ทราบเหมือนกันนางครหาปัตตนีตอบเพราะเวลาล่วงเลยมาหลายปีแล้วข้าพเจ้าไม่เคยได้ข่าวคราวจากเขาเลยท่านเศรษฐีนั่งก้มหน้าคิดอยู่คู่หนึ่งแล้วก็ถามขึ้นด้วยท่าทางไม่สบายใจว่าท่านคิดว่าลีลาวดีจะลืมเรวตะได้ไหม นางครืหปัตตานีถอนให้ใจอย่างหนักหน่วงแล้วก็ตอบว่าเกรงว่าจะลืมไม่ได้เพราะเมื่อคืนนี้เธอถามถึงเขาอยู่ตลอดเวลาซ้ำยังให้นันทาพาไปดูสวนหลังบ้านและสระน้าที่เธอเคยนั่งสนทนากับเรวตะด้วยนันทาบอกว่าเธอนั่งร้องไห้อยู่ที่ริมสระเป็นเวลานานทีเดียวเวลานี้เรวะตะภิกษุจะมีอายุประมาณเท่าไหร่หรือ ท่านเศรษฐีถามนางเครือหาปตานีนั่งคิดคำนวณ น, นับนิ้วมืออยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบว่าเข้าใจว่าคงจะประมาณ 37-38 ปีแล้วถ้าอย่างนั้นก็คงจะไม่มีความยุ่งยากอะไรเกิดขึ้นอีกท่านเศรษฐีพูดถอนหายใจอย่างโล่งอกเพราะอายุแตกต่างกันมากและอีกประการหนึ่งพระเรวตตอาจจะเดินทางจากกรุงราชคร ứ. ไปอยู่ที่อื่นแล้วบางทีอาจจะถึงแก่มรณะแล้วก็ได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าลีลาวดีกับเลวตะคงไม่มีโอกาสได้พบกันอีกไม่แน่นักไม่แน่นักนางคือหาพตานีพูดอย่างใช้ความคิดเพราะถ้าพระเลวตะได้ข่าวว่าลีลาวดีเกิดแล้วเขาจะต้องเดินทางมาพบอย่างแน่นอนหรือมิฉะนั้นลีลาวดีก็อาจจะรบเล้า ให้เราพาไปกลุ und und ่มราชกฤษฎก็ได้ขอให้เราคอยดูก็แล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมตยเศรษฐีพูดบางที่เราอาจจะต้องยอมแพ้ต่อความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของทั้งสองก็ได้เมื่อครบกำหนดเจ็ดวันแล้ว ดีลาวดีน้อยก็กลับมาถึงกรุงสาวัตถีกันนิกาผู้เป็นพี่สาวพร้อมทั้งสามีและบุตรได้ติดตามมาด้วยจึงได้มีพิธีเฉลิมฉลองแสดงความยินดีต่อการรวมญาติกันเป็นการใหญ่ในวันรุ่งขึ้นนางเครือหปัตานีก็ได้สั่งให้มีการตระเตรียมสถานที่และอาหารเพื่อจะทำการเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์จำนวน500รูปในวันต่อไป ลีลาวดีน้อยดูเหมือนจะตื่นเต้นดีใจกว่าใครๆหมดที่จะได้เห็นพระพิสุสงฆ์เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วในวันต่อมาพระพิสุสงฆ์จํานวนห้ารจากพระเชตวนาราม<ๆ>ก็เข้าไปฉันพัะตาหารในเครือหาของนางเครืหะปตานีลีลาวดีน้อยได้อังค่าพระพิสุสงฆ์ด้วยมือของตนเองด้วยอารมณ์ร่าเริงยิ่ง นางครือัาปตานีและเมติยเศษฐีตลอดถึงคณญาติได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่แนะนำลีลาวดีน้อยให้พระสงฆ์รู้จักแต่แผนการของเขาไม่สำเร็จเพราะในระหว่างที่พระสงฆ์กำลังฉันพระตาหารนั่นเองลีลาวดีได้นั่งตรวจดูพระพิสุสง์ทั้งปวงมองดูหน้าองค์นั้นองค์นี้ด้วยความพินิษพิเคราะห์คล้ายกับ จะค้นหาใครสักคนหนึ่งในที่สุดเด็กน้อยก็ได้ถามพระพิสุชรารูปหนึ่งซึ่งนั่งอยู่แถวหน้าว่าพระคุณเจ้ารู้จักพระเรวตะหรือไม่พิสุรูปนั้นจ้องดูเด็กน้อยด้วยความประหลาดใจแล้วถามว่าพระเรวตะองค์ไหนหรือเพราะพิสุที่ชื่อเรวตะมีหลายองค์พระเรวตะที่เคยเป็นโจรต่อมาภายหลังได้อุปสมบท ได้อยู่จำพรรษาที่พระเจตาวานารามแล้วก็ได้อยู่ที่กลุ่มราชฤกษ์พิษุรูปนั้นนิ่งคิดอยู่รู้หนึ่งพลางนึกชมความช่างพูดของเด็กน้อยด้วยความประหลาดใจยิ่งเพราะดูเธอไม่น่าจะพูดได้เป็นเรื่องเป็นเลา่าดุดผู้ใหญ่เช่นนั้นพระเรวตะรูปนั้นอาตมารู้จักท่านตอบในที่สุดดีลวดีน้อยยิ้มอย่างพอใจแล้วถามอย่างร้อนรนว่า คุณเจ้ารู้จักท่านเรวตะเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนล่ะเมื่อก่อนเข้าพรรษาปีนี้มีภิกษุรูปหนึ่งจากกรุงราชฤรษ์แจ้งให้ทราบว่าท่านเรวตะเถระเป็นประธานสงฆ์อยู่ที่พระเวรุวานารามแห่งกรุงราชฤรษ์นั่นเองพอได้ยินคำตอบจากภิกษุรูปนั้นลิลาวดีน้อยก็วิ่งตรงไปยังมาดาและบอกด้วยความตื่นเต้นดีใจว่าแม่ เรวัตะอยู่ที่กรุงราชกฤย์เรวัตะยังอยู่ที่กรุงราชกฤย์แม่ต้องพาลีลาวดีไปกรุงราชกฤย์นะในที่สุดนางคลือหัตานีและเมติยเสตถีจําเป็นต้องเล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เกี่ยวกับลีลาวดีให้พระพิสุสงสังเมื่อได้ฟังความจริงเช่นนั้นตรมพิสุผู้ยังเป็นปุถุชนยังมีความเครือแคลงสงสัยในหลักของวัฏสงสาร การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ต่างๆเกิดศรัทธาเชื่อมั่นว่าสัตว์ที่ยังไม่สิ้นกิเลสตนาตายแล้วต้องเกิดอีกอย่างแน่นอน